8. สมุดจยวาระวาระว่าด้วยการสรุปรวม 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในปาราชิกกันปาราชิกศิกขาบทที่หนึ่งถามภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุเสพเมถุนธรรม ต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. เศษเมถุนธรรมในซากศพที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินต้องอาบัตปาราชิก 2. เศพเมถุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัตทุลใจสา 3. สอดองคชาติเข้าไปในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฎ ภิกษุเสดเมถุนธรรมต้องอาบัตสาอย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่บรรดาอธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอธิกรณไหน บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสี่อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศสีลวิบัติออาจาระวิบัตบรรดากองอาบัตเจ็ดกองจัดเข้ากองอาบัตสามกองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตทุลจัย สกองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายและทางจิตมิใช่เกิดทางวาจาบรรดาอาธิกรณ์สี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมถฏฐเจ็ดอย่างประงับด้วยสมถฏฐสามอย่างคือ 1>, 1. สัมมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สัมมุขาวินัยกับตินวัฏฐากะละเเสขียกันคำถามคำตอบสรุปรวมอาบัตในเสขียกันละ เปาทุกะวักละสิกขาบทที่15ถามภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้าลายลงในน้ําต้องอาบัตดเท่าไหร่ตอบภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้าลายลงในน้ําต้องอาบัดหนึ่งอย่างคือ อาบัตทุกกฎพิษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้ถามอาบัตนั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดากองอาบัตเจดกองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไหร่ บรรดาอธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอธิกรไหนบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัต้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจาระวิบัตบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตหนึ่งกองคืออาบัตทุกกฏ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 สั ม, มุขาวินัยกับตินนวัฏฐารกะสมุจยะวาระที่8จบ8วาระนี้พระธรรมสังคีติกาจาร์เขียนไว้สำหรับสวดเท่านั้นรวมวาระแรกที่มีในภิขุวิพัง8ดวาระคือ 1. กัฏฐปัญญติวาระ 2. กตาปัญญติวาระ 3. วิปัตติวาระ 4. สังคหิตวาระ 5. สมุทฐานวาระ 6. อธิกรณวาระ 7. สมถวาระ 8. สมุจยะวาระ